เมื่อสี่เดือนก่อนได้มีโอกาสไปประเทศภูฐานว่าเป็นประเทศที่ไปยากนะแต่ว่าไปแล้วก็มีหลายอย่างที่น่าประทับใจไม่ว่าในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของวัฒนธรรมพุทธศาสนา คนที่นั่นจะว่าไปแล้วพื้นเพส่วนใหญนะ่แทบทั้งประเทศนี่เป็นคนชนบทมีชีวิตยอยู่ในหมู่บ้านเติบโตนในหมู่บ้านได้เคยไปพบกับประหลัด ก, กระทรวง i อซทก็อายุ ป, ประมาณไล่ๆกับอาตมานี่แหละแลนะพวกที่ส่วนใหญ่ก็ คนระดับรัฐมนตรีระดับปลักระทรว ง, งก็ลวนเติบโตมาจากหมู่บ้านในชนบทเพราะว่าเขาพัฒนาประเทศอย่างช้าๆจริงๆเขามีแผนพัฒนาประเทศปีเดียวกับของเราเลยประมาณ 2,500 เสร็จๆเศษแต่ว่าเขาเจริญแบบช้าๆเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ ก็เติบโตมาจากสังคมหมู่บ้านก็มีความผูกพันกับพุทธศาสนาคนที่เป็นประลดกระทรวง ICT ที่ไปไปพบนี่เขาก็น่าสนใจเขาเคยเล่าเกี่ยวกับชีวิตช่วงของเขาในวัยเด็ก ซึ่งคนฟังดูแล้วก็อาจจะดูเผลนๆไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่ว่ามันมีแง่มุมที่น่าคิดน่าพิจารณาในแง่ของธรรม ะ, ะเขาเล่าว่าตอนที่เขายังอายุสักสิบขวบมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาคอยเฝ้าดูว่า หนูมันจะติดกับดักที่ย่าเนี่ยวางเอาไว้หรือเปล่าคือหนูตัวนี้เนี่ยมันชอบไปกินข้าวข้าโพดในถุงถุงสเสบียงนะถุงข้าวโพดนะแล้วก็ไปอยู่อยู่ได้มันเข้ามาอยู่ในนั้นเนี่ยได้ เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราก็ทำท่าว่าจะสร้างรังอยู่ในนั้นย่าก็เลยหาทางจับหนูตัวนี้วิธีการก็ง่ายๆนะเอาฝาเอาหม้อเนี่ยเอาหม้อนี่มาทำเป็นกับดักโดยการเอาไม้ซี่ประมาณสัก6นิ้วเนี่ยมา มาค้ำหม้อเอาไว้ค้ำปากหม้อเอาไว้นะแล้วก็เอาก้อนข้าวเนี่ยมาวางไว้ตรงใต้ตปากหมอ้อด้วยความหวังว่าถ้าหนูเนี่ยมันมากินก้อนข้าวเสร็จแล้วเนี่ยพอมันออกไปเนี่ยมันก็ จ, จะไปชนไม้พอชนไม้ซี่นั้นไม้มันก็ฝาครอบหม้อก็จะลง ตัวหมอก็จะครอบอหูหนูเอาไว้ง่ายๆแค่นี้แหละไม่ได้มีพธิธีวิธีการอะไรมากอตอนเช้าเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยก็จะตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะดูว่าจะจับหนูได้ไหมเพราะว่าหนูเนี่ยมันจะเริ่มออกมาประมาณตอนที่ย่าเนี่ยเริ่มเริ่มหูงข้าวนะพอมันเห็นแสงไฟ ในในในเตาเนี่ยมันก็จะเริ่มมาแล้วและมันก็จะตรงไปที่ก้อนข้าวนั้นเด็กชายคนนี้ก็จะคอยดูว่าหนูมันจะเสียท่าหรือเปล่าก็ปรากฏว่าทุกครั้งเนี่ยหนูมันก็สามารถจะคาบเอาก้อนข้าวไปได้โดยที่ไม่ไปนชนกับซีไม้นั้นเพราะนั้นมันก็เลยรอดตัวไป เด็กเขาเล่าว่าระหว่างที่หนูมันออกมาหากินหญ้านี่ก็หุงข้าวใกล้ๆแต่ยญาก็ไม่ค่อยสนใจไม่สนใจหนูตัวนั้นเลยทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยดักดักหนูไว้เองแล้วก็หุงข้าวแล้วก็ป่าก็สวดมนต์ไปด้วยคนที่เบสคนภูฐานนี่เหมือนคนที่เบสนะัคือว่าสวดมนต์เป็นหลักนะแต่ทําไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็จะสวดมนต์ไปด้วยมณีอม โอมณปัเมหุมอะไรทานองเนี่นะสั้นๆบางทีก็สวดรูปกรรมไปคนที่เบสนี่คนแก่นี่เขาจะหรือคนภูฐานเนี่ยพอแก่แล้วเาก็จะเริ่มจะวางงานการในบ้านแล้วเขาก็จะไปหลบร้ปฏิบททัติธรรมถ้าไม่ไปจาริกธุดงตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปที่วัดเข้าไปในถ้ำในป่าแล้วก็ปฏิบัติกันนะ เรียกว่าทิ้งบ้านไปเลยหลายเดือนบางคนก็ทิ้งไปตลอดชีวิตจนตายคล้ายๆกับธรรมเนียมของของอินเดียนะพวกสัญญาศีนะพอทำมาหากินพอถึงเวลากเกษียณแล้วก็สละทรัพย์สมบัติหนดไปเป็นสัญญาศีแล้วก็ไม่กลับบ้านเลยแต่ว่ายายนี้ญาี้ก็ยังกลับบ้านเด็กคนนี้ก็สังเกตนะ ว่ายายเนี่ยไม่ค่อยสนใจหนูตัวนี้เลยนะแล้วปรากฏว่าเป็นเวลาสองวัอาทิตย์กว่าๆที่หนูตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาก้อนข้าวไปได้โดยที่ไม่ถูกกับดักครอบเอาไว้เด็กนี่ก็จะรู้สึก ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าทำไมถึงไม่ไมจับไม่ได้สักทีแต่ย่าก็เฉยๆย่าก็ทำงานของย่าไปไแล้ววันหนึ่งเนี่ยผ่านไปได้สักเกือบสามอาทิตย์มั้งหนูนี่มันก็พลาดท่ามันคาบก่อนขา้ขาบเสร็จมันก็วิ่ ง, บบงก็ไปชนกับซี่ไม้ ไม้ก็ตกลงมาหม้ อ, อ ก, ก็เลยครอบหนูเอาไว้เด็กก็ดีใจใหญ่เพราะรุ่นมาทุกวันเลยวุ่นมาเกือบสามอาทิตย์แล้วแต่ย่าก็เฉยย่าก็ทำงานตัวเองไปนะเด็กก็คอยรุ่นว่ายา่าจะทำอะไรกับหนูตัวนั้นแต่ย่าก็ทำกิจวัตรตามปกติกินข้าวกินข้าวเสร็จ พอกินข้าวเรียบร้อยสายแล้วเขาก็เห็นยาทำอะไรก็ไม่รู้ยาก็เตรียมเอาข้าวใส่ใส่กระติกนะคล้ายๆกระติกเนี่ ย, ย, ย, เ, ยเป็นมันเป็นมันเป็นลำไม้ไผ่แสดงว่ายากาลังเตรียมเดินทางอันนี้ว่าเวลาเดินทางก็จะใส่เอาข้าวเนี่ยเอาข้าวเนี่ยใส่ไว้ในลำไม้ไผ่คล้ายๆกับอของบ้านเราเนี่ย แล้วเขาก็รู้ว่าญากํกำลังจะเอาหนูตัวนี้ไปปล่อยวิธีการนะมันก็ไม่ไม่ไม่ง่ายๆคือเอาเอาหม้อทูนหัวไว้นะเอาหม้อทูนหัวไว้เพราะว่าหนูมันอยู่ข้างในนะแล้วย่ายก็เดินเข้าไปในป่าเป็นเวลาสองชั่วโมงอากาศก็หนาวนั่นะลำธารนี่มัน มันเกือบจะเป็นน้ำแข็งแล้วภูฐานนี่มันหนาวมากแล้วก็ป่ากับหมู่บ้านมันก็ติดกันยากระทูลกับดักหนูบนหัวแล้วก็เดินเข้าไปในป่าก็ย่องก็แย่งเดินสองชั่วโมงนี่ก็ไม่เบานะทั้งระยะทางทั้งอากาศที่หนาวอันนี้เด็กก็ไามา่รู้ทีหลังว่ายาทำอะไร พอไปถึงจุดที่มันเป็นต้นไม้โอก๊กต้นโอ๊กใหญ่ๆที่มีลูกโอก๊คลูกเก่ารัดเยอะแย ะ, ยะตกลงมามันเป็นจุดที่มีอาหารรวมสมบูรณ์มากย่าก็ปล่อยหนูไว้ที่นั่นแล้วย่าก็เดินกลับมาอีกสองชั่วโมงนะทั้งหมด4ชั่วโมงทั้งหมดนี้ทําเพียงเพื่อเพื่อไปปล่อยหนู แล้วไม่ได้ปล่อยในที่ไหนปล่อยในที่ที่มันจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ชื่อห็นทุกที่ใสใจคอนะของของคนชาวบ้านไม่ใช่เฉพาะยากคนเดียวที่คนนื่ก็คงจะทําอย่างนี้แหละคือว่าพอจับได้เขาก็ไม่ฆ่าเขาก็ยอมเหนื่อยนะเพื่อที่จะไปปล่อยมาในที่ที่จะดีกว่า ดีกว่าที่บ้านคือที่ที่มันมีต้นโอ๊คมีลูกโอก๊มีลูกเกาลัดมสมบูรณ์แต่ในความรู้สึกเมตตาสัตว์นะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่ถ้ามองให้ลึกไปนี่มันมีอะไรมากกว่า น, นั้นคือเวลาเขาเล่าถึงอากับกิริยาหรือพฤติกรรมของย่าเนี่ยจะเรียกแกเป็นคนที่ปล่อยวางพอสมควร คือทั้งๆ ท, ที่ตั้งใจนะตั้งใจจะจับจะดักหนูทุกวันแกก็ต้องมาเอาข้าวเนี่ยมามามาวางไว้ใต้ใต้หม้อไม่ได้มีไม่มีวันไหนที่ที่ไม่ทําเลยคือตั้งใจที่จะจับหนูนะแต่ว่าเมื่อทําแล้วเมื่อวางกับดักแล้วเนี่ยย่าก็ไม่สนใจก็ทํางานอย่างอื่นั้งตัวเองไป ตรงข้างก่อเด็กเด็กก็คอยลุ้นอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไหร่หนูมันจะถูกจับสักทีแต่ย่าก็เฉยแกก็รอได้นะเป็นเวลาถึง2 อ, อาทิตย์สามอาทิตย์เนะี่ยไม่ได้มีความรู้สึกอนาถร้อนใจอะไรเลยจะว่าแกนิ่งดูดายก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้านิ่งดูดายแกก็ไม่ไม่ถึงกับมาวางกับดักเอาไว้แล้วก็มาวางทุกเช้าทุกเช้านะ แต่ถึงเวลาที่กับดักเนี่ยมันได้ผลนะเด็กดีใจนะแต่ย่าก็เฉยๆนะอันนี้จะเรียกว่ามันได้ง่ายคิดถึงเรื่องของการทํางานนะถ้าเราดูให้ดีนี่เป็นเป็นท่าทีของการทํางานที่น่าสนใจนะก็คือว่าเวลาทํางานก็ทํางานแบบไม่ได้หวังผล แต่ทำเต็มที่นะเรียกว่ามันจะกับดักที่มันจะได้ผลเมลื่อไหร่ก็ก็ถึงตอนนั้นแหละนะไม่ได้คอยลุ้นเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้มากกว่า น, นั้นอันนี้พูดง่ายๆคือแกทำงานแบบปล่อยวางนะคือเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ ปล่อยวางนีไม่ได้ไม่ได้แปล ว, ว่าไม่แก้ปัญหาเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการยอมรับความเป็นจริงเราจะรับความจริงเมื่อเราทาอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าในบางอย่างเนี่ยเราทำอะไรได้เช่นหนูนะมาม า, มารบกวนก็ต้องหาทางจัดการกับหนูตัวนั้นก็คือจับแต่เมื่อ เมื่อวางกับตักแล้วก็ทำไม่สามารถจะทาอะไรได้มากกว่า น, นั้นนะก็ต้องปล่อยวางแกก็ยอมรับความจริงนะว่ามันวันหนึ่งก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วมันก็ไม่มาแกก็ไม่ไม่อนาทาร้อนใจคือตั้งใจประกอบเหตุแต่ว่าปล่อยวางเรื่องผลนะอันนี้มันก็ตรงหลักตรงกับหลักพุทธศาสนานะคือทำเหตุให้ดี ส่วนผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหลายอย่างในการทำงานเนี่ยเราต้องทำประกอบเหตุให้ดีส่วนผลเนี่ยเราไม่สามารถจะไปคาดหวังอะไรได้และเพราะเหตุนี้แหละเวลาทำงานเนี่ยก็ต้องปล่อยวางเรื่องผลทำปัจจุบันให้ดีส่วนอนาคตส่วนผลนันเป็นเรื่องอนาคตก็ต้องวางทัา น, นย่า ก, ก็ก็เลยนะก็เลยทำงานของตัวเองไปเรื่อย และเมื่อมันได้ผลขึ้นมาคือจั บ, จ, บจับหนูได้แก่ก็มีอุเบกขานะคือไม่ยินดีทํานองเดียวกับตอนที่จับไม่ได้แก่ก็ไม่ยินไลยัยงจับไม่ได้กี่วันแกก็ไม่งุดหงิดอะไรนะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังไม่ได้หวังผลไม่ได้ยึดติด ก, กับผลอยู่แล้วแต่ทำเหตุให้ดี เมื่อหนูไม่เมือ่อเมื่อหนูไ ม, ไม่ไม่ติดกับดักก็ไม่เสียใจเมื่อจับหนูได้ก็ไม่ดีใจไม่เหมือนกับเด็กโอ้เด็กดีใจใหญ่นะพอลอพ อ, พอลุนมาสามอาทิตย์แล้วอ้ย่าก็เฉยๆนะนะอันนี้เป็นเป็นคือความหมายว่าทำงานยังปล่อยวางคือคนเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทำอะไรเลยมีความเข้าใจอย่างนี้ในหมู่ชาวพุทธจำนวนมากปล่อยวางคือไม่ทำ แต่ที่จริงปล่อยวางคือทําแต่ทําโดยที่ไม่ยึดติดในผลนะให้พวกเราเนี่บางทีเวลาทํางานแล้วก็คอยลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะสําเร็จก็คอยลุ้นอยู่นั่นแหละนะแทนที่จะอยู่กับงานที่ทําก็ใจก็ไปอยู่ข้างหน้าแล้วหรือเหมือนกับเวลาเดินทางเดินทางไกลเนี่ยเดินไปใจก็คิดถึงจุดหมายปลายทางแล้วตัวอยู่นี่แต่ใจไปข้างหน้าแล้ว อันนี้ไม่ได้เรียกว่าเดินอย่างปล่อยวางไม่ได้เรียกว่าทาอย่างปล่อยวางนะปฏิบัติรมก็เหมือนกันนะมันก็เรื่องเดียวกันก็คือว่าเราก็ทำอย่างทาอย่างอย่างจริงจังแต่ว่าจริงจังในแง่ที่ว่าประกอบเหตุให้เต็มที่ส่วนผลมันจะเกิดอย่างไรเราไม่สนใจนะไม่สนใจคือวางมันไปนเลย ใจนี่มาอยู่กับการทาเหตุให้ดีประกอบเหตุให้ดีเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราประกอบเหตุดีผลมันย่อมต้องปรากฏนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีจะกังวลไปทำไมนะถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราจะไปห่วงผลทำไมถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นมันถูกต้องมันก็ย่อมเกิดผลในที่สุดใจก็จะอยู่กับการประกอบเหตุเต็มที่นะ วางเรื่องผลนี่คือการทำงานอย่างปล่อยวางนะก็รับผิดชอบนะอะไรที่ยังทำได้ก็ทำอะไรที่ทำไม่ได้ก็<ๆ> ก, ก็เท่านั้นแหละคราวนี้พอพอเสร็จแล้วนะพอสำเร็จแล้วนะก็ไม่ดีใจอย่างที่ว่าและที่จริงพอได้ได้หนูมายายทำงานอาญาทำงานยาาก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ อันนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งนะเพราะว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าเวลาเราทำงานได้ผลแล้วเนี่ยก็อย่าไปยึดติดในผลงานว่าเป็นของเราไม่ใช่ยึดติดว่าเป็นของกูเป็นของกูนะต้องคืนคืนให้ธรรมชาติไปเหมือนกับหญ้าเนี่ยก็หนูนี่ไม่ใช่ของฉันฉันจะทำอะไรกับหนูตัวนี้ก็ไม่ได้หนูไม่ใช่ของฉันฉันจับหนูได้ฉันก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ การทำงานก็เหมือนกันนะเราเราเวลาทำงานเนี่ยมันเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไปยึดว่าเนี่ยเป็นความสำเร็จของฉันนะเวลาใครจะมาแย่งผลงานว่าเป็นของเขาฉันก็ไม่ยอมนะในหน่วยในหน่วยงานราชการในหน่วยงานหลายหน่วยงานก็จะมีปัญหานี่คือว่าต่างยึดติดถือมั่นในผลงานนั้นว่าเป็นของฉันนะจะไม่ให้มาแย่งชิงไปได้ เป็นของชั้นเป็นของชั้นใครมาวิจารณ์ก็ไม่ได้ใครมาวิจารณ์งานผลงานของชั้นก็ถาอว่าวิจารณ์ตัวชั้นมันมีตัวกูของกูอยู่เต็มที่ในในงานนั้นนี่เราทำแบบติดยึดนะยึดติดถือมากว่าเป็นตัวกูของกูแต่ว่าสิ่งที่ย้ายญาทำเนี่ยมันก็คือการปล่อยวางคือไม่ยึดว่าเป็นเป็นผลเป็นของชั้นก็ไป เอานูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมือที่ท้าจ่าพุทธาว่ายกผลงานให้เป็นของความว่างคืนผลงานให้เป็นของธรรมชาติคืนผลงานให้เป็นความว่างไปซะสมัยนี้ถ้าพูดสมัยใหม่คือว่างานอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นของสาธารณะเขียนหนังสืออะไรขึ้นมาหรือทำอะไรขึ้นมาพอทําเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นของสาธารณะ คนก็วิภาวิจารได้แต่เดนนี้เราไม่ยอมไม่ใครวิจารเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นของกูเป็นของกูใครจะมาแตะต้องที่จริงความรู้สึกนี่มันมีมาตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานแล้วใครจะมายุ่ง ม, มาย่ามกับงานของกูไม่ได้ในความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเราเราเราสังเกตบ้างไม้มันมีกับตัวเราหรือเปล่าละนะ ที่จริงความรู้สึกว่าเป็นของกูมันก็ดีนะคือทําให้คนเราเนี่ยมีความรับผิดชอบถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นงานของเราเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เมื่อชาวบ้านเนี่ยเราจะให้ราชการจะให้ชาวบ้านรักษาป่าแต่ชาวบ้านเขารู้สึกว่าไม่ใช่ป่าของเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากรักษาเขาคิดว่าป่านี้เป็นของราชการเนี่ยทำให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาป่าก็ต้องทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าป่านี่เป็นของเขา ป่านี่เป็นของชุมชนของเขาเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ถ้าทำความสืบแบบนี้เกิดขึ้ น, ขนเขาก็จะรู้<ะ>รรรสึกหวงแหนในป่านั้นก็จะรักษาป่าเต็มที่แต่ว่ามันก็ยังมีความยึดติดถือมัน่นเราจะดูแ ล, แลก็เฉพาะนี่เป็น<ม>เฉพาะป่าที่เป็นของเราถ้าเป็นป่าของคนอื่นเราก็ไม่ดูแ ล, แลก็เป็นกันเยอะนะ ถ้าเป็นงานของเราเราทำงานเต็มที่แต่ถ้าเป็นงานของคนอื่นฉันก็ไม่สนใจสมบัติสาธารณะในเมืองไทยที่มันพินาศ <c oughs> เช่นตู้โทรศัพท์พังถนนพังก็เพราะคนไม่รู้สัวเป็นของเขาชุมชนไม่รู้สัวเป็นของชุมชนของเขาแต่พอไปยึดติดถือว่าว่าเป็นของฉันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกหรือว่ามีการเลือกที่รักมักที่ชังขึ้นมา ก็เหมือนกับว่าเวลาของอันไหนเป็นของเราเราก็หวงแหนแต่ถ้าเป็นของคนอื่นเราก็ไม่ดูแลไม่รักษาไอความรู้สึกตัวกูของกูมันทำให้เกิดความแบ่งแยกขึ้นมาเราก็ทำให้เราไม่สนใจและยิ่งเข้าใจเรื่องการปล่อยวางไม่ถูกต้องนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เคยมี ช่วงสักหลายปีก่อนเอาปีก่อนก็สมัยที่กำแพงยังสร้างไม่เสร็จก็จะมีคนมามาตัดสมุนไพรในวัดก็มีคนมาแจ้งก็เลยขอแจ้งเสร็จก็เลยเราก็เลยต้องขอแรงพระให้ไปช่วยกันไปไลนะ่ไม่ใช่จับนะไปไล่คนที่ตัดสมุนไพรนะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นี่ก็จะมากันเรื่อยๆแล้วสมุนไพรก็จะหมดพวกนี้บางทีไม่ได้ตัด ไม่ได้ตัดแบบรักษามีตัดที่ที่โคนต้นต้นไม้ก็ตายบางทีจุดไฟยังหักอีกเนี่ยก็อขอแรงพระช่วยกันไปไปไล่มีมีพระรุ่นหนึ่งท่านบอกท่านท่านท่านท่านได้ฟังท่านก็ไม่ไปถามว่าทําไมถึงไม่ไปท่านบอกท่านปล่อยวางแล้วนะคือปล่อยวางในคำสม่งท่านคือไม่ทําอะไรนะจึงจะทําก็ต่อเมื่อเป็นของฉัน ปล่อยวางว่าไม่ใช่ของฉันฉันก็ไม่ทําอันนั้น <Jub> ก <ilee> ็ไม่ใช่เป็นการปล่อยวางที่ถูกต้องปล่อยวางนี่มันต้องมันก็ไม่หมายความไม่รับผิดชอบไปเลยเลยปล่อยวางอย่างรับผิดชอบนี่มันมีและมันต้องมันควรจะเป็นด้วยปล่อยวางอย่างรับผิดชอบถึงแม้ไม่ใช่ของฉันฉันก็จะดูแลทําไมถึงต้องดูแลป่านี้ทําไมถึงต้องรักษาป่านี้แม้ทั้งที่ป่านี้ไม่ใช่ของฉันก็เพราะว่าป่านี้เขา ช่วยดูแลชั้นป่านี่เขาช่วยอำนวยความสะดวกให้ชั้นช่วยทำให้ชั้นมีแสนสนะที่ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเอาแค่ว่าเราได้เราได้รับประโยชน์จากป่าเราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณของป่าด้วยการรักษาป่าไม่ใช่ว่าเราต้องรักษาป่าเพียงเพราะว่าป่าเป็นของเราถึงแม้ป่าไม่ใช่ของเราเป็นของใครก็ตามเราก็ควรช่วยกันรักษาเพราะมันมีประโยชน์ นะเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจว่าต้องเป็นของชั้นฉันถึงจะรักษาถ้าไม่ใช่ของชั้นฉันก็ไม่ดูแล เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่างนี้เนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยให้ยืมของอะไรไม่ได้นะเพราะถ้าเขายืมไปแล้วเนี่ยเขาคิดว่าของนี้ไม่ใช่ของชั้นฉันก็ไม่รักษาให้ยืมโทรศัพท์ให้ยืมโทรศัพน์ให้ยืมทรถไปเขาบอกของนี้ไม่ใช่ของชั้นฉันไม่ได้รักษาอันนี้คนอย่างนี้น่าคบ เวลาเรายืมของใครมายืมรถใครมายืมเงินใครมาแม้จะไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเขาเราก็ต้องดูแลรักษาให้ดีเพื่อที่จะคืนไปในสภาพที่ที่ที่ถูกต้องนะอันนี้คือการคือคือความหมายว่าแม้แม่ปล่อยวางแม่ไม่ยึดติดว่าเป็นของฉันแต่ว่าก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่เดี๋ยวนี้ไปเข้าใจว่าปล่อยวางคือแม่รับผิดชอบ ร่างกายนี้ไม่ใช่ของฉันมันเป็นของธรรมชาตินะฉันก็ต้องดูแลเหมือนกับว่าหยิบยืมมาหยิบยืมมาก็ดูแลรักษาร่างกายนี้ดีเพื่อจะได้อยู่ไปได้นานๆจะได้ทำประโยชน์ให้กับโลกให้กับสรปปะสารทำประโยชน์กับตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของฉันไม่มีตัวกูอยู่ในรูปนี้รูปนี้ไม่ใช่กูรูปนี้ไม่ใช่ตน ก, ก็ปล่อยปะละละเลยอันนี้ไม่ใช่วิสัยของคนที่มีปัญญา อันนี้เข้าใจแล้ต้องเข้าใจถูกว่าการทํางานอย่างปล่อยวางเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าไม่รับผิดชอบนะแต่ว่าทํางานด้วยการรับผิดชอบแต่ว่าไม่ได้ยึดว่าเป็นของฉันนะไม่ได้ยึดติดถือมั่นว่าจะต้องทําให้เกิดผลอย่างที่ฉันต้องการให้ได้ถ้าผลยังไม่เกิดหรือว่าถ้ามันล้มเหลวฉันก็จะทุกข์ไม่ใช่งานล้มเหลวแต่ว่าฉันไม่ล้มเหลว หลวงพ่อคำเขียนก็พูดย้ําบ่อยๆเคยมีคนถามท่านสมัยที่ท่านพัฒนาพัฒนาชุมชนท่ามาไฟหวานสมัยก่อนท่านมีชื่อเสียงในหมู่พระนักพัฒนาท่านทําตั้งแต่เมื่อสาสิบปีที่แล้วมีชื่อแต่ก็เพิ่งวางหมู่ไปเมื่อสักสิบห้าปียี่ิบปีวันนี้ก็มีคนถามว่าหลวพอรู้สึกว่างานล้มเหลวไหมท่านก็บอกงานล้มเหลว ชาวบ้านก็เป็นนี่เป็นศินแต่ว่างานล้มเหลวไม่ได้แปลว่าฉันล้มเหลวเพราะว่างานงานนั้นไม่ใช่ตัวฉันทำงานเต็มที่แต่ไม่ได้ยึดว่าเป็นงานของฉันไม่ได้ยึดว่าเป็นงานไม่ได้ยึดงานว่ า, เ ป, า, าเป็นตัวกูของกูก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยสำเร็จก็ไม่ยินดีนะล้มเหลวก็ไม่ยินลายนะก็มีอุเบกขาอย่างที่เราสวดกันเมื่อกี้เนี่ยนะไม่มีทุกข์ไม่มีสุข นะมีสติสมบูรณ์ด้วยอุเบกขาละความละสมนัตคือความพอใจละโทมมนัตคือความเสียใจในโลกออกเสียได้คือไม่ต้องรอให้ถึงฌานสีนะให้ให้ให้อยู่เหนือสุขเหนือทุกนะถึงจะทําได้แม้จะไม่ได้ถึงฌานสี่เราก็สามารถจะทําได้ในชีวิตประจําวันการทํางานแล้วก็ฝึกนะนะที่พูดเรื่องว่าการยอมรับความจริง เมื่อวานเนี่ยนะมันก็คือการยอมรับผลของงานที่เกิดขึ้นด้วยเมื่อทำงานเต็มที่แล้วไม่สําเร็ จ, รจก็ก็ยอมรับมันไม่ไ ม, ไม่มาเสียจกเสียใจตีโพยตีภายนะเว้นแต่ว่าเราทำได้ไม่เต็มที่อันนั้นก็ว่าไปอย่างจริงๆคติของชาวพุทธเนี่ยในเรื่องการประกอบเหตุนะทำเต็มที่แล้วก็ทำให้ถู ก, หถกเหตุถูกปัจจัย ไม่ต้องสนใจผลบางทีทำเต็มที่แล้วแต่ว่ามนไม่สำเร็จก็มีแต่ทางพุทธศาสนาถือว่าใครที่ทำเต็มที่แล้วอันนั้นถือเป็นคนที่น่าสรรเสริญแม้จะไม่สำเร็จทำไมพระมหาชนกถึงได้รับการยกย่องนะเป็นหนึ่งในทศชาติเพราะว่าท่านบาเพ็ญวิริยบา ร, รมี ฉากที่สาคัญก็คือฉากที่เรือเรือเดินสมุทรล่มแล้วก็เรือเดินสมุทรล่มแล้วก็พระมาชนกต้องไปลอยคออยู่ในทะเลทุกคนก็ลอยคออยู่ในทะเลนะพระมาชนกก็<ๆ>เกาะไม้ได้ก็ไหว้เข้าหาฝั่ง<ๆ>ไม่เห็นฝั่งเลยนะ<ๆ>แต่ก็ไหว้เจ็ดวันเจ็ดคืน<ๆ>ไม่ได้หยุดเลย บางทีเหนื่อยก็พักพอหายเหนื่อยก็ไหว้ต่อพระอินทร์ตอนนั้น ร, รู้เหตุการณ์ก็ให้นางมณีแม่ขลาไปช่วยพระมาชนกเพราะว่าพร ะ, พระอินทร์ร้อนอาจคนดีเขาตกทุกข์ได้ยากพระอินทร์ร้อนอาดก็ให้นางมณีแม่ขลาซึ่งเป็นผู้ดูแลทะเลให้ไปช่วยพระมาชนกเพราะพระอินทร์นี่ถือเ ป, เป็นเทพแห่งเทวดาเ ป, เป็นเจ้าแห่งเทวดา นมนี้เมฆขลา ก, ก็แปลกใจว่าทำไมพระมหาชนกว่ายน้ำเจ็ดวันเจ็คืนไม่เห็นฝั่งถึงทำไมถึงจะว่ายเขาถามพระมหาชนกพระมหาช น, ก, าชน ก, ก็ตอบว่าเพราะเห็นประโยชน์ของความเพียร น, นะแล้วก็พูดว่าเนี่ยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องทำความเพียรให้เต็มที่แม้ไม่สำเร็จตายไปก็เทวดาและมนุษย์ก็ไม่ไมตาหนินะ อันนี้ก็เป็นคําตอบของพระมาชนกนะแล้วพระแล้วนามณีเมฆขลาก็ถามต่อไปว่าถ้าทําความเพียรแล้วเนี่ยนะไม่สําเร็จนะจะว่าอย่างไรนะพระมาชนกก็ยืนยันว่านนเนี่ยคนเราเนี่ยแะเมื่อทําความเพียรให้เต็มที่แล้วผลจะเป็นอย่างไรนะก็ไม่สําคัญละอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคำตอบของพระมาชนกซึ่งมัน แสดงให้เห็นถึงท่าทีของชาวพุทธนะคือว่าทําเต็มที่สุดท้ายนางมณีแม่คลาก็ยอมแพ้นะก็เลยช่วยพระมาชนกพาขึ้นฝั่งนะีเรอนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าต้องรอเห็นฝั่งก่อนถึงจะไหว้แม่ไม่เห็นฝั่งแม่ไม่เห็นผลสําเร็จเลยก็ทําทําไมถึงทําเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ อันนี้ก็ตรงกับภาษิตจีนที่เขาบอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์นะความสําเร็จเป็นเป็นของฟ้านะความพยายามอยู่ที่มนุษย์ความสําเร็จอยู่ที่ฟ้านะมนุษย์เราทําหน้าที่ประกอบเหตุให้ดีพเพราะฉะนั้นเวลาทํางานเนี่ยเราก็ต้องวางผลนะอย่าไปยึดติดถือมั่นว่าจะต้องทําให้ได้ทําให้ได้ถ้าเรายึดติดถือมั่นในผลว่ามันต้องสําเร็จต้องสําเร็จเราก็จะทอ้อพอทําไม่สําเร็จสามสี่ครั้งก็ท้อแล้ว และสุดท้ายก็อาจาจะไม่สำเร็จจริงๆแล้วคนที่ทำงานโดยที่ไม่หวังผลหรือไม่ยึดติดกับผลนี่เขาจะมีความเพียรมากทีเดียวนะบางคนก็น่าแปลกใจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวเล็กๆแต่ว่าน่าทึ่งมากได้ข่าวนี้ประมาณเดือนพฤศจิก ป, ปีที่แล้วก็คือว่ามี คุณป้าชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งอายุหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบแล้วแกอยากได้ใบขับขี่แกก็สอบใบขับขี่ตอนที่เป็นข่าวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแกสอบมาแล้วเจ็ดร้อยกว่าครั้ง <c oughs> <c oughs> ก็แสงว่าแกตกมาเจ็ดร้อยกว่าครั้งแล้ว <c oughs> ถามว่าแกท้อั้ยแกไม่ท้อสอบอีก <c oughs> มาได้ข่าวอีกเดือนกุมภาแกสอบได้แล้ว หลังจากสอบมาเก้า้อยกว่าครั้งเกื <c oughs> อบพันครั้งนะคนอย่างนี้ไม่มีในเมืองไทยนะไม่มีเด็กขาดเลยเพราะว่าเราล่วไม่จำเป็นต้องสอบก็ได้ใบขับขี่นะสอบมาสามครั้งไม่ได้ก็ยัดละหรือมาก็ใช้เส้นขอใบขอบัตรขอนามบัตรของพลตำรวจพันตารวจเอกสักคนหนึ่งนะก็ได้แล้วเมืองไทยเราถ้ามีแค่สองอย่างหรือแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็สาเร็จละคือเงินกับเส้น แต่ว่าในเกาหลีใต้ทำไม่ได้เนะจ้าหน้าที่ ท, ที่เขาดูแลเรื่องการให้ใบขับขี่เขาบอกเขาอยากจะให้ใจจะขาดอยู่แล้วแต่ว่าให้ไม่ได้เพราะว่าสอบข้อเขียนไม่ผ่านนะมีห้าสิบข้อข้อละสองคะแนนแกสอบไม่เคยได้สามสิบข้อสักทนะีแกก็สอบทุกวันนะตั้งแต่ปีสี่แปดสอบทุกวันแทบทุกวันเลยไอ้นะคนนี้เนี่ยต้องถือว่ า, วาจเจริรอยตามพระมาชนกนะ ก็คือว่าสำเร็จไม่สำเร็จฉันก็ทำแม้ไม่สำเร็จฉันก็ทำนะห้าครั้งสิบครั้งไม่สำเร็จฉันก็ทำร้อยครั้งไม่สำเร็จฉันก็ทำสองสามร้อยครั้งไม่สำเร็จฉันก็ทาเพราะว่าฉันถ้ามีใบขับขี่แล้วเนี่ยฉันก็จะไปไปขายผักได้นะไม่ต้องจ้างใครนั่นแกก็ทำเนี่ยนี่ขนาดแกต้องการของพื้นๆนั้นตอนนั้นนะคือใบขับขี่ พวนปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ยต้องการสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นนะคือนิพพานไม่ใช่ใบขับขี่บางทีปฏิบัติแค่เจ็ดวันไม่สําเร็จฉันเลิกแล้ะอันนี้แกปฏิบัติมาสอบมาสีสอบมาพันครั้งนะไม่ยอมเลิกเพียงแค่ใบขับขี่เท่านั้นแหละซึ่งเทียบไม่ได้กับการปฏิบัติธรรมที่ต้องการคุณวิเศษที่สูงกว่านั้นมากมายแต่หลายคนบอกโอ้ยฉันปฏิบัติสเดือนฉันไม่สําเร็จฉันไม่เอาแล้วเลิกปฏิบัติ บางคนมาสองอาทิตย์ไม่ได้ผลไม่ก้าวหน้าชันเลิกแล้วนะนี่พราพรปฏิบัติแบบหวังผลไงยังยึดติดในผลไม่ได้ปฏิบัติแบบปล่อยวางหลวงพ่อเทียนท่านเน้นมากว่าทําเล่นๆแต่ทําจริงๆนะทําเล่นๆคือว่าทําโดยไม่หวังผลแต่ว่าทําไม่หยุดนะก็คงคล้ายๆกับคุณป้าคนนี้แหละแกก็สอบเล่นๆนะแต่แกสอบไม่หยุดเหมือนกันเนะ่ยคือถ้าแกสอบจริงๆนะแกสอบร้อยครั้งแกก็เลิกแล้ว แต่แกสอบเล่นๆแต่ <S <S สอบแต่สอบจริงๆนะสอบทุกวันแทบทุกวันนะอันนี้เรา <S <S เราเร า, เ, ราเวลาเราท้อแท้เนี่ยลองนึกถึงพระมาชนกก็ดีหรือนึกถึงคุณป้า น, นี่ก็ดีว่าทํางานอย่างปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําให้คนทอนมันไม่ใช่ทําให้คนหมดแรงบนาะงคนบอกว่าต้องทํางานมันต้อง ม, ตองมีต้องมีความยากมันต้องมีความยากนะมันจะถึงมีมีแรงขับให้ให้ทำงานได้แต่วิธีการปล่อยวางความยากก็ทําให้ทําได้ ไม่หยุดเหมือนกันนะคือแม้ว่าแม้ว่าแม้ว่าอยากจะถึงนะแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงก็ก็วางได้ก็ไม่ถูกขอให้ทำก็แล้วกันทำเต็มที่นะทำด้วยความปล่อยวางเพราะนี่เวลาการทำงานการปฏิบัติธรรมที่ท่าอจารย์พุทธทาสว่าเนี่ยก็คืออันนี้ด้วยทำงานคือการปฏิบัติธรรมพวกเราทำครัวก็ดีทำงานอะไรก็ตามทำงานราชการทำงานธุรกิจ มันก็ปฏิบัติทำได้ปฏิบัติทำด้วยการมีสติขณะที่ทำแล้วก็โดยการปล่อยวางอย่างที่ว่านะคือทำเต็มที่แต่ว่าไม่ยึดติดในผลว่าจะต้องให้เกิดขึ้นภายในเร็ววันและถ้ามันไม่สาเร็จก็ไม่ไม่ทอ้อสาเร็จก็ไม่ได้ดีใจมากก็ถือว่าทำตามหน้าที่นะงั้นตัวอย่างที่ประหลัดไ c t ีทีเขาเล่าถึงชีวิตใบเด็กเนี่ย ที่พูดถึงฉากสั้นๆของชีวิตเขาเนี่ย ม, มันน่าสนใจมากนะมันสะท้อนอะไรถึงภูมิปัญญาของคนภูฐานนะที่เรียกว่าเขาเขาสามารถที่เอาธรรมะนี่มาใช้กับชีวิตประจําวันนะแล้วก็เขาก็สามารถที่จะทาํางานมันมีความสุขดักหนูก็ดักอย่างมีความสุขนะหนูจะติดไม่ติดฉันก็ไม่ทอ้อฉันก็ดักอยู่ดูเรื่อยทุกวันแหละนะดักเสร็จฉันก็ไม่ได้ภูมิใจดีใจนะฉันก็ ยอมเสียเวลาไปปล่อยด้วยซ้ำยอมเหนื่อยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปนันนี่ก็ฝากไว้ว่าการปฏิบัติธรรมมันเอาไปใช้การทำงานถ้าเราทำได้เงี้เนี่ยก็ทำงานจะมีความสุขงานก็สำเร็จได้ด้วยเหมือนกันอ่อกากาบพระพรมกัน